ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปฐปิญยานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไปเธอถามว่าเวลานั่งสมาธิรู้สึกถึงความสว่างถึงหน้าอกแต่ไม่ถึงทั่วตัวแต่ขาทั้งสอ ง, สองข้างชาไปหมดและปวดมาก ทำหลายครั้งแต่ไม่หายจะมีวิธีแก้ไขยังไงคือขาเราเนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็เป็นเน็บเป็นชาไปแต่การเจริญสมาธิจริงๆเราก็มีการเปลี่ยนในิยบทมีการยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างพอเหนื่อยมากก็ พักผ่อนหลับนอนด้วยสีหัสหาตาแล้วก็อยู่ด้วยเรียบทต่างๆที่มีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องมือในการกำกับวันจะทำได้รู้สึกถึงความสว่างถึงหน้าอกไงมันก็ถือว่าดีนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆก็แล้ว ก, กันแต่ไม่ต้องไปอยากคือถ้าอยากแล้วมันจะไม่เกิดอีกแล้ว วันหน้าที่เราก็ทำกันไปมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็เป็นเรื่องของมันตววขาที่ฉานั้นคืออนั่งไปเฉยเฉยนะฮะปะเดี๋ยวมันก็หายเองคือเป็นธรรมดาของอาการปวดเมื่อยเนี่ยถ้าเราทนมันให้ได้เราเฉยเยอย่าไปใส่ใจมันอะไรเราสังเกตว่าคนบางพวกที่เขาเช่นพวกนักเล่นไพ่เล่นอะไรแต่อะไรก็เล่นกันทั้งคืน ถามก็ปวดเขาเมื่อยไหมมันก็ปวดเมื่อยนั่นแหละแต่จิตใจก็จดจ่ออยู่ที่ไพ่ที่ก็เล่นเนี่ยมากกว่าวอชาแล้วชาอีกก็จนหายชาไปเลยผลสมาธิมันก็เหมือนกันเราจดจ่ออยู่ที่อารมณ์ซึ่งเรากำหนดระลึกเกี่ยวไปใส่ใจในเรื่องปวดไม่ปวดเมื่อยไม่เมื่อยชาไม่ชาแล้วไาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเคยชิน วิชาเสร็จแล้วก็ค่อยๆหายไปสบายอยู่ร้านหนึ่งถึงยันหนึ่งก็ชาต่อแล้วก็หายไปอีกมันก็ขึ้นๆลงๆไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ต้องไปใส่ใจไปวิตกกังวลมันถ้าวิตกกังวลแล้วเนี่ยทีเนี้ยจะไม่สงบเลยอาการที่ว่าได้เห็นแสงสว่างอะไรต่้ไรก็คงไม่เห็นแล้ว เราก็ตั้งใจมุ่งมั่นก็เรียกมีสติสมยัญญะมีความเพียรเนี่ยต่อเนื่องกันไปสนหมเมื่อไรเป็นอีกเรื่องหนึง่งหน้าที่ของเราก็คือพยายามทำไปก็แล้วกันข้อต่อไปถามว่าการโกหกเพื่อให้คนอื่นมีความสุขจะเป็นบาปหรือไม่มันไม่มีเหตุผลหรอกว่ากันตามความจริงมุสาวาทเนี่ยมันเป็นกรรมกิเลสมันเป็นบาปสากล ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปบัญญัติขึ้นหรือไปสร้างขึ้นแล้วมาบอกว่าเป็นบาปแต่ว่าใครนับถือศาสนาอะไรก็ตามโกหกมันก็เป็นบาปทั้งนั้นเพียงแต่ว่าผลจากการโกหกมันทำลายมากหรือทำลายน้อยแล้วเนี้ยมันก็ให้เกิดบาปมากบาปน้อยได้แต่จะปฏิเสธแบบไม่บาปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่ามันทำไปด้วยกุศลและเจตนา บุสนก็แปลว่าฉลาดนะะคือไม่น่าจะเสี่ยงต้องทําบาปสมับคนฉลาดเนี่ยมันมีวิธีพูดอะ้รเขาสบายใจด้วยและเป็นเรื่องจริงด้วยไม่ดีกว่าหรือเป็นการแก้ปัญหาเหมือนกับเกาแผลขันก็เสร็จแล้วมันก็คันอีกแต่ถ้าเราแก้ปัญหาเด็ดเสร็จไปเลยเราก็สบายใจไป ดันั้นถ้าถามาบาปไหมมกตอบตอบประบาปแต่มากไหมมันก็ไม่มากหรอกเพราะว่าเจตนาไม่ได้มุ่งร้ายทำลายใครแล้วก็ผลที่เกิดนั้นก็ไม่ถึงก็สร้างความเดือดร้อนอะไรให้แกเขามากแต่บาปก็ต้องมีเป็นปกติธรรมดาเพราะว่าสมเด็จสมเด็จตามองค์ของมูสาวาตเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริง เรารั่วเป็นเรื่องไม่จริงคิดจะิค ด, ค, ดคิดจะกล่าวแล้วก็กล่าวข้อความคลนความรู้เรื่องอ็สเสม็ดเป็นการละเมิดศีลครบทั้งสี่ประการการทำหลักฐานเท็จแจ้งทางราชการเช่นทำงานไม่ครบสิบสองชั่วโมงแต่เบิกเบี้ยเลี้ยงเต็มเรือนทางโดยรถประจำทางแต่กลับแจ้งว่าเดินทางโดยรถรับจ้าง จะเป็นบาปหรือไม่อันนี้เป็นทั้งสองข้อเลยนะเป็นทั้งอทินาทานแล้วเป็นทั้งมุสาวาทหนทิ่นาทานก็คือยักยอกทรัพย์มุสาวาทก็คือไม่บอกตามความเป็นจริงไม่รายงานตามความเป็นจริงแต่เป็นสิ่งที่คนบางพวกเขาพากภูมิกันบางคนมานอนอาศัยวัดเนี่ยฮะ แล้วก็ไปขอบินที่โรงแรมไปซื้อบินที่โรงแรมเอาไปเบิกเงินสุเอะกันอเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างทำกันแพร่หลายจนคนรู้สึกไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเพียง่าทำกันหน้าเฉยตาเฉยแต่ที่จริงถ้าถามเรื่องบาปแล้วบาปสองบาปเลย เป็นทัน้งอาทินนาธานแล้วก็เป็นทั้งมุสาวาทแล้วก็ในฐานะเป็นราชการก็ถือว่าคอร์รัปชันด้ยวยวิธีหนึ่งเป็นการรับราชการโดยวิธีที่ไม่สุจริตคือเรื่องบานเรื่องมันเป็นเรื่องไม่ใหญ่ไม่โตหรอกแต่ว่าคนไม่ได้คิดเดีย๋ยวเมื่อวันที่สามธันวาคมที่ผ่านมา สปสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยกองกลางเนี่ยเขาทําเป็นรูปโบคดคริตไว้หน้าปกของเอกสารมันก็ไม่ถึงกระปกแล้วว่าที่จริงก็เย็บติดกันห้าหกแผน่นแล้วก็ไปให้เหตุผลว่าไม่รู้เห็นสวยดี คือเราพูดถึงสวยเราก็เห็นว่าไม่สวยเพราะเป็นภาพเขียนนะฮะแต่ว่ามันมีนัยยะอะไรที่น่าสงสัยน่ารังเกียจแล้วสิ่งที่เขาไม่คิดเนี่ยสมมติว่าเขาทำด้วยความสุจริตใจเนี่ยแต่เป็นการโฆษณาศาสนาอื่นในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระบรมสาธิตสล์ ที่จะเป็นข้าราชการเป็นพลังของแผ่นดินเพราะตรงนั้นแนละที่จริงมีเสมาธรรมจักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการอยู่หน้ากระทรวงนั่นแหละมีพระสาธิตลักษณ์ของไอสาธิตลักษณ์ของในหลวงรัชการปัจจุบันมีประหลงราชาอุสาวรีของราชการที่หกคือถ้าจะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับงานมันก็ทาไป ทำไม่ได้อยู่แล้วอนะแต่นั่นเราจะเห็นว่ากระดาษเนี่ยเป็นของหลวงมือ ก, ก็เป็นของหลวงไฟก็เป็นของหลวงอะไรก็เป็นของหลวงเธอก็มาทําเพื่อประชาสัมพันธ์ศาสนาหนึ่งแม้แต่ตัวเองนับถือศาสนานั้นก็เถอดแต่ถ้าจะใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ศาสนาตัวเองก็ควรจะใช้ทรัพย์สินของตัวเองไม่ควรจะใช้ทรัพย์สินของแผ่นดิน นันก็เป็นวิธีการที่ไม่สุจริตเป็นคอร์รัปชันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตามปกติคนไม่เคยคิดกันเพราะรัตต้องสูญเสียกระดาษไปหลายแผ่นแหละไม่ใช่ธรรมดานะฮะเพราะว่าพิมพม์แล้วก็เย็บเป็นปึงป้งๆเอาไปแจกแจกคนจำนวนมากนะฮะใหปฏิบัติพร้อมกัน อันนี้คือปัญหาที่เราไม่ค่อยมองไม่ค่อยระมัดระวังบางคราว บ, บางคราวก็เอากระดาษกล้องหลวงเนี่ยไปเขียนบัตรสนเทดาคนนั้นดาคนนี้ดาคนโน้นว่าไปเยอะเลยโดยไม่นึกว่าทําไมหลวงต้องมาจ่ายเงินให้เรามาระบายความแค้นกันเป็นการส่วนตัวแต่เราต้องการจะเขียนแล้วก็ซื้อซื้อกระดาษเองดิ อะไรเองของเองหมดเนี่ยมันก็ผิดเฉพาะที่ไปด่าเขาแต่นี้มันผิดสองต่ออ oh. ย่างนี้กันในในกรณีเนี้นนนมันเป็นการผิดสองต่อเพราะงั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทําหลักการสาคัญในการบริบาลราชการก็บอกว่าพึงประพฤติธรรมให้สุดจริตอยาประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต นั่นคือหลักการใหญ่คือทำยังไงให้มันเป็นสุจริตแต่ที่บอกมานั้นพุทธจริติธมว่าข้าพเจ้าทำผิดศีลข้อสามโดยความที่ไม่ทราบมาก่อนว่าคนคนนั้นมีคู่ครองแล้วเมื่อมาทราบภายหลังรู้สึกไม่สบายใจอยากทราบว่าจะลบล้างความผิดนี้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่อง ความผิดที่มันครบบริบูรณ์ไปแล้วกรารเมซุมิฉาจา์เป็นกรร ม, มกิเลสเหมือนกันอยู่เป็นบาปสากลไม่ใช่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่า น, นั้นเป็นศส า, สสาสนานใดก็ตามเมื่อไปทำก็ถือว่าเป็นบาปเพรา ะ, ะนั้นถ้าจะทำไม่รู้สึกสบายใจนะ เวลาทําความดีอะไรก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่คู่ครองเขาให้แก่ผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นก็ไม่รู้นะไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายครับคือฝ่ายที่เราไปละเมิดล้นเกินเขาล้นเกินคู่ครองของเขาหรือว่าตัวคู่ครอ ง, องเขานั่นแหละก็อุทิศ ส, ส่วนกุศลแผ่เมตตามไม่ตรีไปเดี๋ยวทาให้สบายใจตามกำลับบงความสามารถที่จะกระทาได้อไปแก้บาป ที่ทำไปแล้วมันคงแก้ไม่ได้แบบบาปเหล่านี้มันเป็นตรานะานนมันแก้ยากคือศีลสีข้อเนี่ยมันแก้ยากไอ้ข้อนี้ห้ายังพะไวก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอบายมุขเป็นศีลแต่ไม่ถึงก็เป็นอกุศลไม่ไม่ถึงก็เป็นกุศลกรหนดศี เป็นบทบัญญตัติคือเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นปนัตติวัชระคือมีโทษตามบทบัญญตัติไม่ใช่เป็นโลกวัชระคือโทษทั่วทั้งโลกอย่างสี่สี่ข้อเนี่ยมันโทษทั่วทั้งโลกแต่ข้อที่ห้านั้นเป็นปนัตติวัชระคือเป็นบทบัญญัติเฉพาะกลุ่มในที่อื่นในทรงเรียกเป็นรูปของอภัยมุต คือความเป็นนักเลงสุราเป็นนักยะมุกเป็นปากทางของความเสื่อมประกันเพราะนั้นเพื่อจะไม่ต้องสบายใจเพื่อให้ต้องไปตดุกทุกร้อนก็กดน้ํามุที่ส่วนกุศลไปให้ก็บ่อยๆแผลไม่ตาไปบ่อยๆขอความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เปลี่ยนเปลีนกันไม่ปุตสลายกันไอจะไปขอกรมาโทษนี่ค ง, งไม่ได้มันครอบครัวมันอา จ, จแตกแยก แต่ที่จะแก้ปัญหากลายเป็นการสร้างปัญหาหทับทวีมากยิ่งขึ้นจงทำได้ขนาดนี้นะก็ต่อไปถามว่าการที่เราพ่นยาฆ่ า, มาแมลงในห้องคือกำจัดมแมลงไม่ให้มารบกวนจะถือว่าผิดเสียงข้อที่หนึ่งหรือไม่ถ้าผิดจะแก้ไขกรรมนี้ได้ยังไงคือที่จริงมันควรจะปัดกวาดเถ่ก่อนแล้วไม่ให้มีสัตว์แล้วก็ เป็นการฉีดยาในทางป้องกันคือเขาได้กลิ่นเขาไม่เข้ามาเขาก็ไม่ตายนะเราก็ไม่ต้องทําบาปแต่ถ้าลงขนาดนั้นมันมันฆ่าเขาไปแล้วอ่ะสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตตั้งจิตคิดจะฆ่าทําความพยายามเพ่อฆ่าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นัครบองหมดอ่ะก็พวกนี้ก็ทํำยังไงก็กวดน้ําแผลเมตตาไปเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทํามาแล้วมันเป็นเช่นเดียวกับไปละเมิดศี่งข้ อ, ขอการเ ม, มืองนิสาจาะนะ่ะไปเรื่องไปเรื่องทํามาแล้วยังไงเราก็กลับไปแก้แก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้แต่ว่าตั้งใจํารวมระวังต่อไปแล้วก็ทําบุญอุทิศกวดน้ําส่วนกุศลให้แก่สตัตว์ตรงนั้นแผ่เมตตาปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปัสสา้ายกัน ในโอกาสต่อไปนะครับถามว่าขอคําแนะนำเพื่อกระตุ้นให้คนรักที่จะทำงานจะมีความคิดสร้างสารรค์พร้อมกับมีความรับผิดชอบในตนเองคือคนเราเนี่ยต้องการชีวิตที่มีคุณค่า คือต้องการให้คนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าจะตรมมองให้เห็นเป็นกระบวนการว่าคุณค่านั้นมาจากคุณภาพคุณภาพเราก็มาจากคุณสมบัติคุณสมบัติมันมาจากคุณธรรมคุณธรรมก็มาจากการศึกษาเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้นี่แหละจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ จะให้เกิดเป็นการมองปัญหาต่างๆเช่นเราพูดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราปรารถนาความเจริญแก่ตัวเราหรือไม่ปรารถนาให้เราได้ลาบยศสันเรินสุขหรือไม่ถ้าต้องการถ้าปรารถนาก็ต้องเข้าใจว่าลาบยศสันเซินสุขเหล่านั้นมันเกิดได้ด้วยความพยายาม ด้วยความเพียรพยายามของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสาคัญไม่มีผลอะไรที่เกิดขึ้นแบบลอยๆหรอกนอกจากว่าเขาจะใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักมาก่อนคนที่ประสบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าแต่ละคนได้สู้ชีวิตมาอย่างสาหัสสาการมาก่อนแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะ ให้มีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จตอนนึกถึงว่าคนที่เขาประสบความสา เ, เรา็จ<น>เขาก็คนเขาก็หนึ่งหัวหนึ่งตัวหนึ่ง Billy มือหนึ่งเท้าเหมือนกันอสองมือสองเท้าเหมือนกันหนึ่งหัวหนึ่งตัวสองมือสองเท้าเหมือนกันเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันเพราะเมื่อเขาสามารถสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตเขาได้เราก็ควรจะสร้างได้ แล้วก็ใช้ความมานะพยายามที่จะนำตนเข้าสู่ความสำเร็จอย่างท่านกล่าวไว้เป็นคำกลอนว่าชีวิตยังไม่รับดับเพียงนี้แรงยังมีจากสู้กระเสือกกระสนแม้นจะปวดรวดร้าวจะเฝ้าทนประจวบจนแสงอรุณอุ่นระวีคือหมายความว่าจนกว่าจะบรรลุเ ป, ป้าหมายตามที่เราต้องการ ต้องเป็นคนสู้ชีวิตไม่คิดทอดถอยไม่คิดหวาดหวั่นพาันพึงไม่คิดหวาดกลัวต่อสิ่งทั้งหลายที่เราจะต้องเผชิญบนเส้นทางของชีวิตเนี่ยเพราะในความเป็นคนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เลื่อนลอยมาจากสวรรค์ชั้งฟ้าแต่ทุกอย่างเป็นผลของความพยายามอย่างหนักของบุคคลทั้งนั้น แม้เก่าคนจะผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ก็ต้องอาศัยความเปลี่ยนพยายามเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคิดแล่พยายามคิดอยู่บ่อยๆเนี่ยก็พยายามนำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นได้โดยการมุ่งมั่นไปสู่ผลที่ตนต้องการ โดยมไม่หวาดหวัน่นพ่านพลึงต่ออุปสรรคอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือให้มีอิทธิบาททั้งสี่ประการเน่เป็นหลักเอาไว้แล้วธรรมะนั้นจะช่วยเหลือรักษาคุ้มครองปกป้องผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเมือนร่มใหญ่ที่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตก ถาว่าเครื่อนอยู่ของจิตตามลำดับชั้นในทาพระพุทธศาสนาคืออย่างไรเขาขามอธิบายพู้เจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีทั้งคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ผู้นั้นจะพ้นจะบวงแห่งมาร คำพีรุ่นหลังเนี่ยอธิบายว่าจิตเนี่ยมันอยู่ที่น้ําเลี้ยงหัวใจแต่เราก็มาดูทั้งภารกิจของจิตซึ่งก็มีอยู่สเรื่องใหญ่ๆนั่นคือหนึ่งรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสรับแล้วก็เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้คือจําอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้จากนั้นก็นําอารมณ์เหล่านั้นมาคิด คิดจะมีเหตุมีผลมีโยนิสูมนสิการมีระบบในการคิดสามารถเชื่อมโยงเหตุกับผลต่างๆได้แล้วเกิดความรู้ขึ้นมาในชั้นต่างๆคือรู้แบบจำรู้แจ้งมากยิ่งขึ้นหมายความว่ามีส่วนที่เราจำด้วยและมีส่วนที่เราเข้าใจด้วยมีส่วนที่เราแม่นด้วยมีส่วนที่เราจาโดยเนื้อหาสาระไว้ด้วย จนกลายเป็นความรู้จริงคือท่องแท้เข้าใจในเหตุผลของเรื่องดอกนั้นจนก็เป็นการพัฒนาปัญญาเพราะเรื่องของจิตมันก็คือการทำตามอารมณ์เหล่านี้รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคิดอารมณ์ไม่ใช่จำอารมณ์ไว้ภายในจิต จะคิดอารมณ์ตามที่จำไว้แล้วก็รู้อารมณ์ตามที่ผ่านมาจำไว้แล้วนำมาคิดเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องกันอยู่อย่างเงี้ยให้ลองสังเกตว่าจิตมันคิดอารมณ์อยู่ตลอดคิดเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่มันคิดกับมันตลอดเพราะธรรมชาติอง์กเป็นธรรมชาติที่คิดอารมณ์ ถามว่าคนที่ฆ่าตัวตายชาติต่อไปจะเกิดเป็นอะไรอันนี้ไม่แน่คือเราไม่รู้สมมติว่าพระพุทธเจ้าทรงดารงประชนอยู่เนี่ย <c oughs> มันก็ต้องว่ากันเป็นกรณีกรณีรไปเราจะพูดเหมาไปเลยไม่ได้นะฮะเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยบางทีคนบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันทั้งก็ฆ่าตัวตายคือพบตั้งหลายเรื่องนะสามสี่เรื่องด้วยกัน ที่บรรลุอรหัตพร้อมกับฆ่าตัวตายเนี่ยฆ่าตัวตายพร้อมกับบรรลุอรหัตนะความกรจะตายบรรลุอรหัตไปก่อนเนี่ยและสมมติว่าพระฆ่าตัวตายเนี่ยก็ปลว่าแค่บัททุกฏเท่านั้นเองเป็นเป็นอวบเบามากเพราะเราเพราะเราดูเจตนาในการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่แรง มันไม่มีโทสะจัดมันไม่มีโลภะจัดมันไม่ได้มีโมหะจัดแต่บางครั้งบางคราวนี่มันมีสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนเหล่านั้นตัดสินใจปรงชีวิ ต, ตถามว่า บ, บาปไม้บาปแต่ถามว่ามากไ้ยมันไม่มากมันไม่เหมือนฆ่าคนอื่นค่าคนอื่นมันต้องฆ่าด้ดยความโกรธความหลงหรือความโลภความหลงส่วนใหญ่ก็ โ ก, กก็หลงนะถ้าฆ่าคนเนี่ยแต่ฆ่าสัตว์ก็โลกก็ลงถ้าเพร่องฆ่าข่มขืนทั้งโลกทั้งโกดทั้งโลงโลแต่ว่าในกรณีฆ่าตัวเองเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นความผิดแต่ไม่แรงเพราะง้นบาปแต่ไม่มากจึงจึงจึงพูดออกไปเกิดเป็นอะไรไม่ได้ อาจจะเกิดเป็นคนก็ได้นะฮะอาจจะเกิดเป็นแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเทวดาเรา อ, อาจจะเกิดเป็นคนก็ได้หรืออาจจะเกิดเป็นสัตว์ก็ได้แต่ไม่น่าจะตกนรกเหมือนกันนะฮะอันนี้ยังไม่เคยพบหลักฐานไม่เคยพบหลักฐานเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับวินัยของพระแล้วไม่แรงดังนั้นต้องฟังอะไร แต่หลงวงโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี